นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางพิโยธามา .com คอมอัดมาพระไพบูุ์อภิปุนโนจากมัสตารานไหนโสครับกรนะะผมธันตแพทย์นัธพงศ์กนกวิรุณผู้ร่วมรายการครับแล้วก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์ละครับวันนี้มีคำถามที่ค้างมาจากคราวที่แล้วนะครับทีเ่เราพูดกันถึงว่าองค์มรรคองค์มรรคที่เจนะครับคือสัมมาสตินะครับ ก็เป็นเรื่องยืดยาวมาสองตอนคราวนี้ก็จะเป็นตอนที่สามนะครับท่านผู้ฟังคงคนที่ติดตามอยู่ก็คงจะจดจ่อรอคอยนะครับคือจำได้ว่าที่ที่คราวที่แล้วเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ไพบูลได้บอกว่าอะไรที่จะเป็นเหตุให้เราสังเกตเ ร, เรื่องของลมหายใจหรืออานาปานสตินะครับท่านเลอ คือต้องเท้าความให้ท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะเริ่มอาจจะเริ่มมาฟังนะว่าในพอดแคสต์ตอนนี้เป็นเอพิโซดที่9นะไล่มาตั้งแต่เอพิโซดที่1เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องอริยมรตมีองค์แนะมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งไล่มาเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาแหล่งต่างจนคราวนี้มาถึงสมาสมาสมาธิเออสัมมาสติสัมมาสมาธิสมาสติเนี่ยจะเป็นอันนี้จะเป็นตอนที่สนะเราพูดถึงสมาสติกันมาเต็มเตมสตอนนี้ยังไม่จบเลย ซึ่งมรดพงศ์ได้พูดถึงว่าคราวที่แล้วเราได้จบกันตรงเปิดประเด็นไว้ที่ว่าเลมหายใจ อ, อ, อะไรเป็นเหตุนะครับท่านทําไมคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะมาสังเกตเห็นลมหายใจได้ใช่ค่ะเพรา ะ, ราะอยู่ๆเอกเราก็มีหน้าที่การงานนี้อะไรต่างๆโอ้ภาระครอบครัวการงานแล้วอยู่ๆเราเกิดอะไรขึ้นเราถึงอยู่ๆจะมาดูลมหายใจแล้วแล้วมันจะได้อะไรอื ม, มก็รตรงเนี้ยครับอ่า เรื่องลมหายใจนี่ได้พูดกันไปเมื่อคราวที่แล้วว่ า, อาพอลมหายใจจะทําให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมใช่ค่ะพอมีกายเวทนาจิตธรรมแล้วจะทําให้เกิดสติสติจะทําให้เกิดโพชฌงโพชฌงเจตจะทําให้เกิดวิชาวมิโมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไล่กลับม า, าคุณจะต้องทําให้มีวิชาวมิโมใช่ไหมงั้นคุณต้องทาโพชฌงเจตให้เกิด ค, คุณจะต้องการโพชฌงเจตให้เกิดใช่ไหมงั้นคุณต้องมีสติคุณจะมีสติใช่ไหมคุณต้องมีกายเวทนาจิตธทีม คุณจะมีการเวทนาจิตโดยธรรมใช่ไหมคุณต้องมีลมหายใจแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทําให้คุณสามารถเห็นลมหายใจได้อ น, นี้เรามาเปิดประเด็นกันตรงนี้ครับ<อ>ก่อนนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้หมดครบถ้วนกระบวนกาครับว่าเอ๊ะคนใดคนหนึ่งที่มุ่งประพฤติกระทําอานาปานสติเนี่ยจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะจนกระทั่งถึงวิชาบิมุติเนี่ยถ้าประกอบด้วยธรรมต่างๆ ต, ต, ต่อไปนี้พระพุทธเจ้าไว้พูดไว้สาที่สามแห่ง สา3นัยยะแต่ว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยจะได้ประมาณเจ็ดแปดประเซ็นนอันบแบรกเนี่ยก็พูดถึงความที่ต้องเป็นคนที่มีกิจน้อยมีความต้องการน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตอันนี้ก็ที่หนึ่งอ๋อก็คือทำตัวง่ายๆกิจน้อยใช่โ อ, อให้เลี้ยงง่ายเขาไว้อย่ามีปัญหามากอืมอืมเวา้เวลาเราไปเข้าคอร์สหลีกเล่นตามวัดต่างๆจะเห็นว่าเขาก็เน้นให้เลี้ยงง่าย ง, ง่ายๆมีเสื่อผื้นหมอนใบเสื้อผ้ามีน้อยชิ้นบริการก็สบายๆง่ายๆธรรมดาอย่างเงี้ย น, นะเหมือนชีพิตพระอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับอันนี้ก็คืออยู่ในศีลที่อย่างไปปฏิบัติปลีกเล่นเนี่ยก็คือศีลแปดใช่ไหมครับก็ค<ม>ือให้ให้เราเอากรอบของศีลมาจับด้วยอย่างนี้จะสัมพันธ์กันไหมครับอสําหรับคารวาะ น, นี่จะอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าคือแค่ศีลห้าเนี่ยก็จะไม่ได้ระบุอะไร ถึงรเรื่องความเป็นอยู่มากถ้าศีนแปก็จะมากขึ้นอีกหน่อยเออวลาวิการไม่กินนอนก็นอนที่นอนธรรมดาอย่าไปควนควายหานอนที่นอนสูงใหญ่มากแป้งมีหรือไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ก็จะเขาเรียกว่าเลีเ้ยงง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าไปศีนแปดสำหรับพระรนี่ก็ต้องมีมากขึ้นไปอีกผ้าต้องเป็นอย่างนี้ให้มันคืออย่างเสื้อผ้าพระเนี่ยหมอรัศมพลองดู เอาผ้าเหลี่ยมๆเนี่ยมาต่อๆกันะตัดชิ้นเล็กๆแล้วมาต่อๆกันย้อมน้ําฝาช่องสามเทียบใช้งานได้รับจ บ, บแต่มันไม่เหมือนกับครวาว่าที่คุณต้องเอาผ้าเนี่ยมาตัดเย็บนะให้เข้ารูปด้วยนะเป็นกางเกงเป็นเสื้อ ค, คุณเอาเสื้อคุณเดินมาใส่มันก็ไม่ไม่ฟิตพอดีไม่พอ ด, ดีกันใช่ไหมแล้วก็ยังต้องมีกระดุมตรงนั้นตรงนี้มีอะไรื่อๆมากมายมันยากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตปลาเนี่ยเขาตั้งแต่เครื่องแบบเนี่ยก็ง่ายแล้วง่ายอืมกินก็ง่ายกินก็คือ มีพาชนะใบเดียวใช่ชาวบ้านถวายบินธบาตอะไรมาก็ก็ต้องฉันตามนั้นอตามมีตามได้ครับได้ครับบิณธบัตรตามมีตามได้ครับอันนี้คือประการที่หนึ่งนะคือเรื่องของความต้องการน้อยครับอันที่สองเนี่ยถ้าคุณต้องการจะสังเกตเห็นลมหาใจให้ได้ชัดให้ได้มากให้ได้ลึกให้ได้ไปเรื่อยอันที่สองคุณต้องมีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความที่เป็นผู้มีทางอันปรังอืออาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีทางอันปรัง ครับปุโรชาติเคย<อ>พูดถึงตัวคนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีช่องว่างอยู่ในท้อง อ, อืมอืมอก็คือคอธิบายลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีปากเราก็ต้องมีท้องมีท้องก็ต้องมีกินกินเข้าไปแล้วต้องถ่ายออกมาใช่ครับอแล้วก็ว่าการที่กินน้อยนะมีอาหารน้อยเนี่ยจะทำให้สังเกตเห็นลมไายใ้ได้ อันนี้คิดว่าทุกคนสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะใช่ครับอย่างถ้ากินมากแล้วก็อ่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนอ น, นะครับก็เป็นปกติเลยปกติวิสัยของมนุษย์ประชชนเลยกินอิ่มก็นอนหลับซะนอนหลับสบายครับอืมครับเป็นรงก<ร>ินครับท่านใช่ท้องเนี่ยต้องพร่องอยู่เสมอพร่องเล็กน้อยหมายถึงว่าตอนที่เรากินแล้วอิ่มเนี่ยหมายว่าเกือบจะอิ่มอย่างนั้นใช่ไหมครับ ก็คือว่าท้องอเล็กน้อยพอพอเลิกหยุดกินแล้วเนี่ยให้มีช่องว่างอยู่ในท้องอยู่อืมให้ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องอยู่ซึ่งคนที่เรียนชีววิทยาเนี่ยคงจะทราบว่าท้องเรามันจะมีไอเขาเรียกว่าไงที่ตรงตรงเป็นที่ช่องที่เก็บอากาศนะตรงนั้นก็ยังเป็นช่องว่างที่เหลืออยู่ยังไงเราก็จะกินไม่เต็มคนที่กินอิ่มแพร่อิ่มแพรานี่ค ร, รับอิ่มจนแน่นเต็มที่เลยเนี่ยไอช่องพวกนี้ไม่มีเลยนะอิ่มเต็มที่กรับคือกระเพาะนี่จะขยายจนผิดรูปร่างแล้วก็อิ่มเต็ม<อ>ที่เลย ครับเกินลิตนึงเนี่ยก็จะไม่ได้ละอืเพราะฉะนั้นถ้าเรากินพอประมาณเนี่ยก็ยังจะมีช่องว่างเหลืออยู่มีช่องเหลือเหลืออยู่เล็กน้อยอันนี้คือความหมายถึงให้มีท้องพร่องเล็กน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวมันมีก็จะมีคําถามเพิ่มเติมว่าในพระปฏิบัติซึ่งฉันมื้อเดียวตอนเช้าหรือก่อนเที่ยงเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเท่าที่สังเกตนะว่าจะต้องฉันเยอะในปริมาณที่เยอะเนี่ย อย่างนี้แบบมันจะแน่นไปไหมครับท่านเพราะว่าอย่างพระที่ฉันมือเดียวเนี่ยใช่ฉันเยอะกว่าปกติอยู่จริงแต่เพือไม่ได้ฉันเยอะมากขนาดว่าคูณสามเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะอ๋อไม่ใช่แต่ว่าหรือถ้าบางท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาจะต้องเคี้ยวละเอียดเคี้ยวละเอียดมากๆากใหย่อยง่ายเพราะว่าการเคี้ยวละเอียดเนี่ยอันนี้เป็นง่ายมุมอันหนึ่งที่เาจมาพบนะว่าพอเราเคี้ยวละเอียดแล้วเนี่ยจะทําให้อ่า ข้าวหรือว่าอาหารเนี่ยได้รับการย่อยง่ายขึ้นครับเนื่องจากว่ามันพื้นที่ผิวมากขึ้นใช่ใช่ครับพวกเอนไซม์อะไรที่เข้าไปย่อยอาหารใน้เนี่ยมันก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเราก็จะใช้พลังงานในการย่อยลดลงใช่การย่อยเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาหารที่กินลงไปจะได้พลังงานสมบูรณ์ตอนบ่ายก็จะไม่หิวอย่างพระบทใหม่แรกๆเนี่ยครับมีปัญหามากเลยพอมาปุ๊บกินมื้อเดียวอะโอ้โหซัดเต็มที่จนอิ่มแย่ ครับอิ่มแปรแล้วตอนบ่ายเป็นไงก็ยังหิวอยู่อ๋อหิวอยู่ตอนสายนี่หิบหลับแน่นอนนะหลับแปรขนาดนี้ไปเลยกับกุฏิเอวังเลยครับพอตอนบ่ายนะเย็นๆเนี่ยหิวท่านกำลังได้กินอิ่มขนาดนั้นนั้นยังหิวแก้ยังไงพรุ่งนี้กินมากกว่าเดิมอีกครับพรุ่งนี้กินมากกว่าเดิมอีกเพื่อที่ตอนบ่ายตอนเย็นๆจะได้ไม่หิวที่หิวว่าเพราะอะไรหรือว่าอาจมาเคยทดลองมาหมดแล้วพวกนี้ครับเพราะอะไรครับหิวเนี่ยเพราะว่าคุณกินมากขนาดนั้นเนี่ย ย่อยเนี่ยย่อยยากมากแล้วท้องมันจะหมุนไม่ได้น้ําย่อยลงไปก็ย่อยไม่เต็มที่ย่อยย่อยไม่เต็มที่ร่างกายทําไงยิ่งใส่พลังงานลงไปมากอีกครับใส่พลังงานลงไปมากอีกนะยิ่งเปลืองพลังงานอีกแล้วอาหารที่ไม่ย่อยเนี่ยมันก็เริ่มเป็นพิษเนื่องจากว่ามันการมันไม่มีไอเขาเรียกว่าใช่ใช่ไอสารที่ระงับแบคทีเรียารอาหารก็จะเริ่มเน่าอยู่ในท้องเราครับ เข้าไปในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นี่เน่าแลยนะถ้าไม่เขาไม่ถูกน้ําย่อยนะเขาจะเริ่มเน่าตรงนี้ก็จะเป็นพิษแต่เราก็สารอาหารที่เข้าไปเนี่ยย่อยออกมาเนี่ยมันก็ดูดซึมได้ไม่เต็มที่เนื่องจากอาหารที่ย่อยไม่หมดเนี่ยไปขวางพอสารอาหารดูดซึมไม่เต็มที่เนี่ยร่างกายเซลล์ต่างๆก็ยังต้องการอาหารอยู่พอยังต้องการอาหารอยู่คุณใช้พลังงานย่อยในมากขึ้นอีกเนี่ยไอเซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังต้องการอาหารอยู่มันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีความรู้สึกอยากอาหาร หิวต้องกินครนะโดยเฉพาะตอนบ่ายๆเนี่ยพระบทใหม่เนี่ยถ้ายังไม่รู้จักจัดการตากตัวเองยังไงเนี่ยจะต้องกินเลยของหวนานหวานโดยเฉพาะพวกน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ยชอบมากนะเพื่อที่จะระงับความหิวครับความหิวตรงนี้ไม่ได้เกิดจากท้องไม่มีอาหารนะมีอยู่แต่ความหิวเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายยังขาดจารอาหารอยู่อ<ม>นี่คือ<ม>หลักวิทยาศาสตร์เลยใช่ครับวิธีแก้เนี่ยคือเราจะต้องแก้ด้วยการดิ้กเคี้ยวละเอียดละเอียด โดยเฉพาอย่างยิ่งข้าวเนี่ยหมาทงงรู้ไหมว่าไอ้น้ําย่อยที่ล่อยย่อยแป้งเนี่ยมันไม่ไดอยู่ในกระเพาะมันมีอยู่ในปากเราอยู่ในปากใช่ครับคือน้ําลายใช่ครับน้ําลายเนี่ยเป็นน้ําย่อยอย่างเดียวที่ย่อยแป้งได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ข้าวอยู่ในปากเนี่ยคุณจะต้องเคี้ยวให้เพื่อที่จะให้น้ําลายลงไปกับข้าวด้วยเพื่อที่ให้มันย่อยได้บางคนเข้าเอาช้อนเข้าปากปุ๊บเคี้ยวสาครั้งงบงบๆกลืนนั่นแหละคือเวลาที่ ไม่ละเอียดแน่นอนแล้วก็น้ําย่อยคือน้ําลายเนี่ยไม่ได้ลงไปกับข้าวมากพอที่จะย่อยข้าวได้แต่ให้ร่างกายต้องยิ่งใช้พลังงานในการย่อยมากอีกสารอาหารที่ออกมา ก, ก็น้อยอีกก็จะเป็นวงโครจรไปในการที่เราต้องกินมากขึ้นหรือว่ายังหิวอยู่ในตอนบ่ายครับเพราะฉะนั้นในการเทคนิคการรับประทานอาหารเนี่ยก็คือแค่ว่าเคี้ยวละเอียดละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กินพอประมาณไม่ต้องมากมาก็ได้อาจารย์เคยทดลองกินข้าวแปดคำ แปดคำนะเอาข้าวผัดเนี่ยใส่ช้อนปูนๆแปดคำแล้วเคี่ยวให้ละเอียดละเอียดนะมโนทูลตอนบ่ายเราไม่หิวโตอนเย็นตอนบ่ายเนี่ยเราไม่หิวอข้าวผัดอย่างเดียวนะครับแต่คำก็ไม่เยอะนะครับท่านผปดคำไม่เยอะเลยพอจานเดียวเนี่ยจานนิดๆแล้วก็ไม่หิวแต่ว่าท้องว่างไม่รู้สึกประท้องว่างแต่ไม่หิวขนาดว่าต้องกินอะไรจะไม่เป็นเหมือนตอนที่เราบวชใหม่ๆกินมากๆเนี่ยตอนเย็นตอนบ่ายมันไม่ได้มัน มันต้องกินอนะ่ะมันไม่งั้นมันจะอยู่ยากมัน ม, มันจะเป็นรัรนนเป็นเป็ น, ปนผลผลตอบรับของร่างกายที่ที่จะต้องมีการ อ, อปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นแง่ ม, มุมที่ออไม่ไม่ค่อยได้ทราบกันนะครับถึงว่าเพราะฉะนั้นเราต้องกินอาหารเนี่ยพระพุทธเจจึงบอกว่าคนที่มีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันตรองเนี่ยจะทําให้ สังเกตลมหายใจได้สังเกตได้ครับแล้วก็เราจะพบว่าเวลาที่เรากินอาหารอิ่มๆเนี่ยลมหายใจมันจะเร็วขึ้นใช่ครับจะเร็วกว่าเวลาที่เราตื่นนอนใหม่ๆจังหวะในการหายใจเข้าออกครับทีนี้ประการประการที่สามประการที่สามก็คือเป็นผู้มีความไม่เหมืนชาประกอบตนอยู่ในความตื่นไม่เหมืนชาไม่เหมือนชาประกอบตนในความตื่นคือตื่นอยู่เสมออืมอืมรู้ตัวอยู่เสมอเป็นยังไงครับอ ในสมัยพุทธกาลก็จะมีคนเข้าใจว่าัารไม่นอนอออืไม่ใช่งั้นการตื่นอยู่เสมอของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือประกอบตนอยู่ในชาคริยานธรรมโอ้ปรรัความเพียรใช่ทำอยู่ในใช่ไหมครับความอึเป็นเครื่องตื่นก็คือว่านอนยามเดียวคือยามกลางราตรีครับตอนยามแรกแห่งราตรีก็ปรัรับความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิครับยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ปรัรับความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิ อย่างนี้แล้วช่วงระหว่างวันทำอะไรช่วงเวลาที่มีพระอาทิตย์อยู่ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอร่าเรียกว่าประกอบตนอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นอืมชาคริยานุธรรมชาคียานธรรมชาชาคริยานุธรรมใช่อยู่ในความตื่นอยู่เสมอใช่แต่ว่าก็คือให้นอนให้นอนตามปกติก็คือยามยามที่สองยามกลางในเรื่องของเวลาเราเคยคุยกันในตอนแรกๆครับใช่ ว่าแบ่งยามออกเป็นกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงขนานั้นถ้าท่านผู้ฟังยังสงสัยประเด็นนี้อาจจะถอยกลับไปฟังในเข้าใจว่าจะเป็นตอนที่เกี่ยวกับเรื่องสัมมาวายามะที่เรื่องปรับความเพียรก็จะเป็นเอพิส od ที่เจ็ดเอพิส od ที่6ครับประมาณประมาณอส o ที่หครับลองลองลองไปย้อนดูนะครับเรื่องของการประการต่อมานะถ้าต้องการสังเกตลมหายใจได้ชัดเจนได้รู้รสึกเนี่ยจะต้องมีประการต่อมาคือเป็นผู้มีสุตตะมาก ทรงสุดตะสั่งสมสุดตะคืออะไรคืออะไรครับท่านคือธรรมะนั่นแหละเป็นธรรมะที่เป็นลักษณะที่มีงดความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแสดงอยู่ซึ่งพระมรรจัน์อันบรสุบริบูรณ์สิ้นเชิงพร้มทั้งอัตถะและพระเยนชนะธรรมมีลักษณะเห็นตานี้เนี่ยเป็นธรรมที่เธอต้องทรงจําไว้ให้มากท่องแทวด้วยวาจาแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นครับชื่อว่าเป็นผู้ทรงสุดตะสั่งสมสุดตะ อืก็คือการที่เราฟังธรรมอย่างเงี้ยฟังรายการพอดแคสต์อันนี้เนี่ยก็คือถือเป็นการสะสมสุตตะใช่ไหมครับได้ารยใช่ฟังธรรมะที่เป็นพุทธวจนะนะคือธรรมะที่งดงานในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์พร้อมทั้งบทอัตถะและเพยนชนะเนี่ยไม่มีใครทําได้หรอกนอกจากพุทธเจ้าทั้งอัตถะก็ถูกเพยนชนะก็ถูกเริ่มกลางจบสวยงามหมดโอ้โหสัมมาสัมพุทธะเท่านี้ทำได้ครับได้คือคุณสมบัติอันหนึ่งของ ของพุทธวจนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดใช่ไหมครับกันเพื่อที่จะให้ขอ้อความเนี่ยเรียงร้อยต่อแล้วก็ไม่ขัดกัน อ, อันนี้เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งใช่ไหมครับใช<จ>่ครับเพราะฉะนั้นธรรมะจึงออกมาในลักษณะที่เรียกว่าแม่งงดงามตั้งแต่เริ่มตรงกลางตรงจบนะครับร บ, บทเพียรชนะความหมายอะไรก็ถูกต้องอุปมาอุปไ ม, มที่ยกมาก็หาที่คานไม่ได้อย่างเงี้ยต้องธรรมลักษณะนี้ เราต้องจําให้ได้แล้วก็ความเห็นต้องถูกอย่างนี้ก็จะเรียกว่าดีละดีต่อการสังเกตลมหายใจครับโอเคสุดต่มากคอันนี้อันอีกอันหนึ่งนะก็จะพูดถึงเรื่องการที่อยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัดอันนี้ <upa> นนระดับที่ห้าใช่ไหมครับอยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัดครับอีกอันหนึ่งอันที่หก เียอันนิดนึงครับท่านข้อห้าเ น, นี่ยอย่างนี้คนเมืองก็แย่สิครับไม่ได้อยู่ป่าอยู่คอนโดอยู่บ้านหมู่บ้านอันนี้ก็ค โ, โอกาสที่จะสังเกตลมหายใจอย่างนี้ก็จะเป็นไม่ไม่เกื้อหนุนต่ออมอท่านส่<อ>งว่าไงประเด็นนี้ครับผมว่าอันนี้ก็คนเมืองก็จะโอ้อย่างนี้มันมันมันจะทำให้เราห่างเหินจากจากการปฏิบัติอนาปานสติ ซึ่งจริงๆก็จริงมันจริงอย่างที่มันจริงนะครับว่าอโอแล้วจะเอาเวลาไหนนาะเพราะ่า่กับใช่ก็ตรงนี้เนี่ยอบทเพลงชนะในในพระสูตรเนี่ยว่าไว้อย่างนี้นะทีนี้ในที่อื่นเนี่ยพระรูชาพูดถึงจะพูดคู่กันเสมอคือเรือนไม้กับคนว่างอคนไม้กับเรือนบ้างคนไม้กับเรือนบ้างเพราะฉะนั้นคนไม้ก็คือป่าใช่มใช่อยู่ตามใต้ต้นไม้อะไรต่างเรือนว่าง จะเป็นห้องนอนก็ได้ห้องพระก็ได้ที่ทำงานก็ได้ใช่ที่รื<ก>้คนเดียวคอนโดก็ได้ที่เป็นเรือนว่างครับครับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นเสานาสนะอันส ง, งดัดอ๋อปัญญาจักสิ่งรบกวนคือไม่ว่าคนหรือว่าสื่อต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ทีวีต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับให้เสนาสนะนั้นอึงเป็นสงัดครับก็บทเปลี่ัญชนะที่ประเจ้าจะใช้ก็คือว่าเป็นเสนาสนะอันสงัด แเป็นที่ที่มีเสียงอึกทึกคลื่มน้อยเป็นผู้ที่เป็นที่ที่อทําการรับของมนุษย์ปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าและออกออืมและเป็นที่เสนาชนะลักษณะเห็นป่านี้เนี่ยควรจะอยู่อาศัยให้มากอือยู่แล้วดีว่างั้นเถอะอืมครับครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคืออยู่ในที่สงัดอยู่ในที่อยู่ป่าเสนาชนะอันสงบอืมีกประการหนึ่งคือประการที่หกครับ ก็คือเป็นผู้ที่ได้ตามปรัถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งคาถาต่อไปนี้อืมคืออะไรครับคือเรื่องอะไรก็นแน่ที่เป็นเรื่องที่ขัดเกลากเลิดเป็นธรรมที่สบายแก่เป็นเป็นที่สบายแก่ธรรมเป็นเรื่องเปิดโลกแห่งจิตนั่นคือคือทธรรมะขยายความเลยครับคือคื อ, คอบทอะไรคาถาเนี่ยแปลว่าบทคนะาถาโอเคคาถาคาถาเนี่ย คือที่เรามีบทสวดนั่นบทสวดนี้คาถาอะไรต่างๆช่ไหมคาถาหรือคาถาคาถาให้คนรักคาถาลอดพ้นอะไรต่างเนี่ยครับพระเจ้<ข>าบอกว่าคาถาเนี่มีแค่นี้สิบเรื่องนี้ครับคือเรื่องที่เป็นไปเพื่อการขัดเกาลากิเลสหรืเรื่องที่เป็นไปเพื่อความเปิดโล่งแห่งจิตอย่างนี้นะก็คือเรื่องอะไรเรื่องความปรารถนาน้อยออเรื่องสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีเรื่องความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิ เรื่องปัญญาเรื่องวิมุตต์และเรื่องวิมุตติยานาะทัศนะสิบอย่างนี้โอ้โหนี่นี่นี่ถึงถึงวิมุตต์เลยนะครับท่านใชข่ข้ อ, ขอนี้นี่เรียกว่าทะลุจนถึงเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับอ <c oughs> เพราะฉะนั้นคถาสิบอย่างเนี่ยเป็นเครื่องที่ทําให้จิตสบายเปิดโลงจิตได้ออนะืมมมหมายความว่าถ้าบอกว่าต้นต้นของข้อ น, นี้ก็คือได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากหมายถึงว่า มันยังไงฮะหมายถึงว่าเราจะไขวยคว้าหาสิ่งสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากใช่ไหมหมายถึงก็คือว่าเราก็ให้เข้าถึงได้ง่ายหมายเ<อ>ช่นว่าเอาเอเรามีตถาคตพาสิทธิ์อยู่ในมืออา่าเป็นที่พึ่งจ่ายคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ให้ปรารุความเพียรให้มีปัญญาให้มีสมาธิให้สันโดษให้มีความสงัดอย่างนี้เราท่อง บ, บ่อยๆเอามาท่องบ่อยๆคาถาี้ก็ต้องเอามาท่อง คาถาที่ท่องอย่างนี้คาถาที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยเราถือว่าเราเราควรจะมีใกล้ตัวใช่ใกล้ที่อืมอย่างสมัยใัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าอ่ามีคาถาของเขาอะนะเช่นว่าคาถาที่ทําให้ให้ได้โชคลาภอย่างเงี้ยจะมีบางคนบอกด้านได้ไอโอต่อท่องไว้เลยด้านได้ไอโอดด้านได้ไอโอตใช่เขาก็จะได้เรื่อไมเอาสิ่งนี้สิ่งนี้ ซึ่งเราควรจะเอาคาถาแบบนี้เป็นพุทธวัชนะท่านมีท่านสั้นไหครับมีเลยเอาเอาขอของคถาที่พระพุทธเาเนี่ยให้อ่าเป็นคาถาที่เป็นเรื่องอะไรล่ะเรื่องเกี่ยวกับสมาธิอก็คือว่าให้รักษาผู้อื่นนะด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักนั่นเองดูอันนี้ต้องได้เลยรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนอดทนด้วยเมตตาจิต ด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยความรักใคร่เอ็นดูโอ้อันนี้อันนี้กเขาไหมเพราะฉะนั้นคือพอมีใครมาด่าเรามาว่าเราเราจะตอบกลับเขาเลยด้วยสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอืก็จะชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยอืรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนครับด้วยเมตตาจิตด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยความรักใคร่เอ็นดูอย่างนี้ก็เป็นคาถาได้อเพราะฉะนั้นคาถาพวกนี้เราต้องท่องให้ขึ้นใจเอามาจํามาไว้ เรื่องอะไรบ้างเรื่องความไม่คุกคลีเรื่องความเพียรเรื่องศีลเรื่องความปรารถนาน้อยอะไรต่างสิบอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับครับครับได้ตามปรารถนาก็คือว่าเมื่อไหรฉันก็นึกออกก็ควักออกมาดูได้ฮอยู่เรียกว่ามีสติที่จะลึกได้ในทุกทุกเวลาทุกสถานการณ์ใช่ไหมครับอย่างเช่นถูกด่ามาอย่างเงี้ยก็ปุบต้องนึกว่าโอ้หอดทนต้องอให้ความเมตตาและให้เอ็นดูใช่ไหมครับใชบ แล้วอันดับที่อันดับต่อไป น, นะอันดับที่เจ็ก็คือคพิจารณาเห็นอยู่เฉพาะซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วตามลําดับอย่างไรพิจารณาจิตให้เห็นให้เห็นจิตอันหลุดพน้น <Ah, พิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วอย่างไรอ๋อท่านี้หมายความว่าอะไร <S <S หมายความว่าหลุดพ้นเนี่ยการหลุดพ้นนี่คือหลุดพ้นเปนนนนน็นขั้นเป็นลําดับลําดับนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยท่านที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกเลยว่าเรานั่งสมาธิไปเนี่ยเราก็ ปล่อยวางได้ครับนะปล่อยวางได้บางทีมันปล่อยวางลงไปเนี่ยอ๋อเราต้องรู้แล้วอืมอเหตุการณ์นี้เราปล่อยวางได้มาก่อนเรายังปล่อยวางไม่ได้อืมอืมอืมอย่างใช่ใช่อย่างเช่นความความโกรธความโกรธอย่างเงี้ยอ่าบางทีแบบโห้โหเมื่อก่อนนี่เลี้ยงกันทั้งวันนะครับอพอพอเราเริ่มพิจารณาทําเหล่านี้เนี่ยมันก็ควรจะสั้นลงใช่ไหมครับ ชั้นลง ช, ชั้นล ง, นลงอาจจะเหลือครึ่งชั่วโมง1ินาทีอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็คื อ, อเราเหนเราจะพบแล้วว่าโอ้เราปล่อยวางได้เป็นขั้นๆัแล้วดพ้นได้เป็นขั้นขั้นรหรืออย่างเช่นของเด็กเล่นเ<ช>มื่อก่อนเรามีของเล่นอยู่ยจะเป็นตัวต่อเลโก้ตุ๊ ก, กตุนตุ๊กตาที่กระโดดเชือกรถบังคับวิทยุจักรยานสามลอ้ออะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เมื่อก่อนนี่นะใครจะมาแตะไม่ได้ฉัน<อ>ไม่ให้เล่นงบขับหวง จับไม่ได้เลยอย่างนี้นะของข่าใคร่าแตะพอเราโตขึ้นมาอีกหน่อยหรือทุกวันนี้ของเหล่านั้นบางทีอาจจะยังอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ไปแตะต้องคือใครจะเอาไปเล่นก็ได้ไม่ว่าอะไรเพราะเราปล่อยวางได้ละอันนี้ก็คือหลุดพ้นมาเป็นขั้นๆอย่างนี้ก็เป็นได้เพื่ะนเราก็ต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้อย่างนี้ในเรื่องลำดับการปล่อยวางเนี่ยก็คือเป็นของที่แบบเห็นจับต้องได้ก่อน ค่อยๆปล่อยไปคือของหยาบใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างนี้เข้าใจได้ไหมครับก็ได้ทุกรูปแบบรับได้ทุกรูปแบบก็คืออย่างที่หมอนัตพงศ์พูดอย่างนั้นก็ได้นะว่าจากเด็กเราโตขึ้นมาหน่อยเราก็ปล่อยวางพวกนั้นได้นะพอเรามีความรู้เรื่องอื่นมากขึ้นเราก็ไปยึดเรื่องอื่นแทนใช่เราก็ค่อยๆปล่อยวางไปปล่อยวางไปอย่างนี้ครับครับครับอย่างนี้ก็ เข้อซึ่งจะเป็นเหตุของการที่จะสังเกตลมหายใจก็ครบถ้วนใช่ก็มีแค่เจ็ดประเด็นนี้ที่ว่าถ้าใครมีเจ็ดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําให้สามารถสังเกตลมหายใจได้ครับอย่างดีครับซึ่งตรงนี้พอสังเกตลมหายใจได้คุณก็จะมีกายเวทนาจิตธรรมแล้วพอมีกายเวทนาจิตธรรมนะก็จะเป็นเหตุที่ทําให้มีสติพอมีสติแล้วก็จะเป็นเหตุที่ทําให้มี พ่อพชงพ่อชงจิตพ่อชงพมีพ่อชงจิตแล้วก็จะเป็นอย่างที่ ท, ทาให้มีวิชาวิมุตต์อ่านี่แหละอก็<จ>ทําให้เรียกว่าอเราทําถึงที่สุดแห่งทุกข์ไดค้ครับครับพระอาจารย์ครับในชีวิตอย่างอย่างเนี้ยโอเคคาราวาดอย่างอย่างพระพระสงฆ์เข้าใจว่าเป็นเป็นเป้าเป้าอันหนึ่งเป้าอันหนึ่งของความเป็นพระสงฆ์ที่จะเข้าสู่วิมุตต์เนี่ยใช่ใช่ไหมครับอันนี้คือคือ พระพระเนี่ยไม่ไม่ได้อยากแต่ว่าเป็นเป้าที่จะปฏิบัติเพื่อเพื่อเข้าสู่การหลุดพ้นแต่ว่าถ้าในระดับคารว์กุทุชนเนี่ยมันประมาณประมาณไหนดีครับว่าชีวิตนี้แค่ไหนดีฮะเอาแค่ท่านมีคำแนะนำออสาหรับคนที่ยังครองเรือนอยู่ใช่ใชครับไม่ได้บวชก็อยู่ที่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคนที่ครองเรือนอยู่ต้องการเป็นพระอาหันก็มี อากที่อาตมาเคยพบเจอนะเขาบอกเขาไม่อยากเกิดจริงแล้วชาตินี้จะเป็นาาคารวะอยู่มาคุยก็มีบางคน<อ>ก็บอกว่าเออฉันอยากจะรวยบางคนคก็บอกว่าเออฉันอยากจะแก้ปัญหาของชีวิตตรงเนี้ยก็หลาย ค, คนก็หลายเป้าหมายนะอ่นะทีนี้ถามว่าแต่และเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยองค์ประกอบของสติเนี่ยต้องมีตลอดใช่ครับอ่าสัมมาสติเนี่ยต้องมีตลอดต้องมีเป็นแก่นเลยเพราะเพราะว่าพอมีสติแล้วเนี่ยมันจะทําให้ได้ประโยชน์ถึงสามระดับ เรตั้แรกเนี่ยคือประโยชน์ในปัจจุบันอปัจจุบันสามเจ้าใช่ว่าทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมได้ไลมอ่าทิฏฐธรรมคือปัจจุบันทิฏฐธรรมเนี่ยไม่ใช่ชาตินี้อย่างเดียวนะทิฏฐธรรมเนี่ยหมายถึงวินาทีนี้เดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้เลยนี่คือทิฏฐธรับในสัมปรายะนี่คือในพบพบต่อต่อมาบางคนคนตีบอกชาติหน้าครับไม่ใช่นะสัมปรายะนี่คือในเวลาต่อต่อมาอาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้แต่เวลาต่อต่อมา แล้วอันที่สามเนี่ยประโยชน์อันที่สามสุดยอดเลยครับปรมามัตธรรมครับนะคือป ร, ประโยชน์อันสูงสุดก็คือที่เป็นพระอาหารบรรลุมาผลนิพพานไปเลยครั บ, รบประโยชน์ในเวลาต่ตอมาเช่นไรคุณเอา้าเอาง่ายๆคุณมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมประโยชน์ในที่จะทําเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เลยคือจิตคุณไม่ร้อนครับจิตคุณไม่ร้อนคุณก็ไม่ไม่ตัวเองนะครับครับประโยชน์ในเวลาถัดมาเป็นอะไรคือจิตเนี่ย พอมันไม่ไม่ไม่ร้อนเนี่ยเป็นจิตที่สบายเนี่ยการตัดสินใจแก้ปัญหาคิดพินิจใช้การเรียนการสอนการตัดสินใจต่างจะดีครัหมายความว่าไงหมายความว่าการงานหน้าที่ก็ดีสังคมก็ดีคนรอบตัวก็ดีขึ้นหมดเลยครับเพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตต่อมาเนี่ยคือในสัมปรายะเนี่ยดีขึ้นเพราะนั้นประโยชน์สามระดับครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะหวังขนาดไหน หวังจะเป็นพระอรหันต์หวังจะเป็นเอาแค่โสดาบันหรือว่าจะหวังเอาแค่ให้ชีวิตฉันดีขึ้นให้ฉันปล่อยวางได้มากขึ้นสติต้องมีตลอดครับมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองครับมากน้อยในเรื่องต่างกันเท่านั้นเองครับแร้วฉะนั้นก็จึงคิดว่าสติเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่เราพูดกันเท่าไหร่ก็ไม่จบอะสาคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับคือถ้าเราจะพูดเรื่องสติไปจน ถึงตอนที่ยี่สนะหมอรัตงศ์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับมันได้ทุกแง่มุมตลอดมากสติเป็นอะไรทําไมตอนไหนจะวางยังไงจะมีสติได้ยังไงเนี่ยโอมีได้ตลอดครับอ่าก็เลยก็เลยคิดมากอ่าก็เลยคิดว่าในในเรื่องที่เราสรุปกันเมื่อสักครู่เนี่ยว่าที่ที่หมอรัตงศ์ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างกระวาดเนี่ยควรจะมีสติตอนไหนบ้างนะถ้าฉันหมัคนอย่างนี้หรืออย่างนั้นอย่างเงี้ยนะก็คือก็บอกได้ง่ายๆว่าจะมีสติได้ต้องมีสติทุก ทุกเวลา ท, ทุกเวลาทุกอริอยาบทครับทีนี้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็มากน้อยต่างกันตามระดับของสติที่มีครับในระดับของทธรรมคือปัจจุบันในระดับของเวลาต่อต่อมานะก็ในระดับของมรรคผลนิพพานเลยครับดังนั้นก็เหตุที่จะทําให้เราสามารถสังเกตลมหายใจหรืออนาปนาสติก็คือมีเจประการนะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อแรกก็คือกินน้อยนะกินอ ย, อยู่ง่ายนะครับ ปรการที่2ก็คืออาหารน้อยมีท้องอันพร่องอันเล็กน้อยนะครับระดับที่สามก็คือไม่มึนชาอยู่ในความตื่นอยู่เสมอนะครับข้อต่อมาก็คือมีสุตมากสุตต์ก็คือการได้รับรับได้ยินได้ฟังธรรมซึ่ง<ม>เราเน้นในเรื่องของพุทธวจนะนะครับระดับที่ห้าก็คืออยู่ป่าเสนาสนะอันสงัดนะครับไม่คุกมคลีกับผู้อื่นนะครับรก็พระพุทธเจ้าพูดถึงโคนไม้เรือนว่างนะครับ นี่จะพบได้บ่อยลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอความอบอกว่าที่ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากก็คือเป็นเป็นคาถาก็คืออย่างเช่นเครื่องขัดเกลาเกเรียนทั้งหลายใช่ไหมครับชเช่นสันโดดไม่กรุ๊กเกีสศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตนะครับก็คือก็จะมีอย่างเช่นก็ กคาถาง่ายๆที่เราควรลำลึกไว้ก็คือว่ารักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยเมตตา จ, จิตด้วยความรักใคร่เ อ, เอ็นดูนะครับลาดั บ, ดบ ส, ดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอให้พิจารณาให้เห็นเฉพาะจิตเป็นลำดำับใช่ไห่ครับก็คื อ, อสังเกตดูลมหายใจก่อนแล้วก็สังเกตะจะได้เห็นถึงสติปัฏฐานสัมมาสติก็เป็นสติปัฏฐานสี่ กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ถึงโพชฌงนะครับโพชฌงเจ็ดแล้วก็จะได้ถึงวิชาวิมุติใช่ไหมครับใช่เป็นสรุปครับ <c oughs> ทีนี้รเรื่องของสติเนี่ยครับผมก็จะมีมันเรื่องเยอะมากอย่างที่ว่ามันคุยกันได้นานก็ไม่จบดังนั้นจึงคิดว่าเรื่องของสมาสติเนี่ยเราจะพูดไปแค่านี้พอครับเราอย่างแง่มุมอื่นอย่างเช่นว่า นั่งสมาธิจิตไม่สงบมีสติได้ไหมอันนี้ก็มีได้นะตอบสั้นๆ<อ>หรือว่าคุณมีความคิดฟุง้งซ่านอยู่คุณมีสติในนิวรณ์อย่างนั้นก็ได้<อ>แต่อันนี้ก็มีในมาสติประธานสูตรทีร น, นี้ว่าเพื่อที่จะให้การดําเนินเรื่องของมรรคแปดของเราได้ไปได้ให้มันจบครบต้นกระบวนคว า, <ช>า ร, รห่างจากน้าก็จะมาตอบกันเรื่องของสมาธิแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคาถามอะไรเกี่ยวกับสมาถสติเนี่ยให้ส่งกันเข้ามานะที่เพียรธรรมะต้นคอม www dot เพียวธรรมะคอมนะครับครับแล้วก็จะได้เอามาตอบให้ได้ฟังกันเนาะเกีบยวกับวรื่อสติในตอนต่อๆไปได้ครับครับเพนั้นวันนี้ก็คิดว่าพอเท่านี้นะในเรื่องของสมาธิถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามก็อย่างที่ว่าไปที่เพียวธรรมะคอมกลับมาไงสัปดาห์หน้ามาพบกันในเรื่องของสมาธิครับครับขอกลับลาในวัชการพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไอโศกเพียงเท่านี้ครับจ้าขอบคุณครับ